เคยชอบขโมยเงินพ่อแม่ถามเมื่อประมาณสิบกว่าปีก่อนตอนยังเป็นวัยรุ่นชอบขโมยเงินพ่อแม่ไปช่วยเพื่อนเป็นจำนวนเงินทีละมากๆต่อเนื่องกันนานหลายปีพ่อแม่ไม่เดือดร้อนรับฐานะดีให้ทานโดยไม่มีเสียดายกับคนอื่นแต่ก็รู้ว่าเราทำกรรมดำกับพ่อแม่ไปแล้ว ไม่ทราบว่าจะส่งผลอย่างไรบ้างทั้งทางจิตและภายนอกแก้ไขยังไงดีตอบเรื่องบังเอิญเจอเศษเงินเหลือใช้ในกระเป๋าพ่อแม่เนี่ยเด็กๆมักมีกันบ้างครับการขโมยเงินพ่อแม่โดยที่ท่านไม่เดือดร้อนนั้นผลคือโดนเขาโกงบ้างโดนเขาหลอกเอาสตางค์บ้าง ต้องจ่ายค่านวนค่านี่โดยไม่ควรต้องจ่ายบ้างแต่ก็ไม่ถึงขนาดเดือดร้อนสาหัสแค่จุกจิกรำคาญใจหรือเสียดายมากหน่อยแต่หากขโมยระดับทำให้ผู้บังเกิดกล้าวต้องร้องไห้อันนี้โทษหนักและมักต้องเห็นผลทันตาในชาติปัจจุบันคือจะไม่เป็นผู้มีแม้วิบากเดิมควรจะมีได้ สำหรับกรณีของคุณแค่ทำใจสบายๆตอบแทนท่านถึงที่สุดเลี้ยงดูท่านสุดความสามารถและให้ดีกว่านั้นคือทำให้ใจท่านเป็นสุขตลอดจนทำให้ท่านเห็นถูกเห็นชอบในกรรมวิบากและทางนิพพานบุญที่เกิดขึ้นใหม่จะใหญ่เกินบาปเล็กๆน้อยๆแต่ผลหลังแม้บาปผลหลังมีโอกาสให้ผลก็จะถูกยันไว ไม่ถึงขนาดต้องมีชีวิตย่อยยับอับปางเหมือนสร้างนักมวยปล้ำร่างยักษ์ที่ชำนาญการต่อสู้ทุกรูปแบบเอาไว้ต่อกรกับนักมวยวัดฝึกหัดเมื่อวานเสรินครับ